ฉันอ่านประวัติของท่านอาจารย์พรหมนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาเป็นเจ้าวาดของวัดอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงคุณพ่อของท่านเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่าเมื่อในวัยเด็กเนี่ยตอนอายุ13ปีขณะที่นั่งรถไปกับคุณพ่อคุณพ่อก็พูดกับท่านบอกว่าลูกเอ๋ยจงรู้ไว้นะว่าไม่ว่าลูกจะทาอะไรในชีวิตของลูกเนี่ยประตูบ้านของพ่อจะเปิดรับลูกเสมอท่านบอกว่าตอนนั้นอายุ13 ท่านก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากแต่พอมาบวชเป็นพระได้คิดทบทวนคำพูดถึงคุณพ่อหลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ได้พบว่าเป็นการแสดงความรักที่แจ่มชัดมากที่สุดหมายความว่าคุณพ่อเนี่ยได้แสดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือเอาแค่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยนะคะมันพอแล้วเป็นสิ่งที่งดงามเป็นความรักที่แท้ และท่านก็บอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าคนอื่นจะมาเอาเปรียบหรือหาประโยชน์จากเราแต่จากประสบการณ์ของท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเราได้รับความรักชนิดไม่มีเงื่อนไขาจากใครสักคนมันจะเหมือนกับการได้รับของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดมันจะทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าและรักษาไว้ด้วยตัวของเราเองเพื่อที่จะได้ไม่มีวันสูญเสียไปจากประโยค น, นี้ของคุณพ่อลูกเ อ, อ๋ยจงรู้ไว้นะว่าไม่ว่าลูกจะทาอย่างไร ในชีวิตของลูกประตูบ้านของพ่อจะเปิดรับลูกอยู่เสมอท่านกำลังจะบอกกับพวกเราทุกคนนะคะว่าความรักถ้าจะให้กับใครและมีค่ามากต้องเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะนะคะเรากำลังจะให้ท่านฟังได้พบกับการถามโลกตอบธรรมตอบคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลค่ะ